แต่ความจริงเรื่องทุกข์นี่นะฮะแทนที่จะให้เห็นชัดๆก่อนเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์เนี่ยเชี่ยเห็นนี่ก็คือทุกข์ก็ทุกข์กลับไปหัวล้ออีกว่าเออไม่รู้ไอ้ทุกข์พันอย่างนั้นนะฮะไปดูถูก่คนที่เขารู้แค่นั้นอ่ะไม่ใช่โลโลทุกข์ก็ทุกข์เนี่ยรู้ไม่จริงอะต้องไปรู้การเกิดดับอย่างเงี้ยคือทุกข์นี่เลยงงเลยครับว่าอะไรกันแน่เนี่ยทุกข์ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าไอ้ที่คุณกลัวว่ตาานี่กลัวการเกิดดับอันนั้นหรือกลัวทุกข์ก็ นี่ถ้านรกไม่มีจริงนะของมาไม่ศึกษาหรอกธรรมาอะถ้าไบายโยภูมิไม่มีนะโอ้ตอนนี้ม่วนขนาดแล้วกันเนะี่ใครพูดการเจ็บไข้ได้ปวยทุกข์ทุกข์กทั้งหลายความโศกความเศร้าเจ็บ <c oughs> ป่วยร่างกายเนี่ยนะโอ้เป็นที่หวัวเราะกันว่าคุณไม่มีความรู้เลยเลยเนี่ย อ, อย่างงั้นใครๆก็รู้ อ, อยู่แล้วก็ไอ้สิ่งที่ที่มันยังไม่ทุกขก์ทุกขะ์นะในที่สุดมันก็นําไปสู่ทุกขก์ทุกอยู่ดี ร่างกายของเราเนี่ยมันก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเจ็บมันเจ็บก่อนไหมไม่อีกไม่นานมันก็มันก็เจ็บมันที่ที่มันไม่เจ็บมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บมันนะในที่สุดมันก็นําไปสู่ทุกข์กับทุกขอีกจนได้ชีวิตนะถ้าเป็นยังไงถ้ามันไม่รู้จักเจ็บปวดไม่รู้จักคำว่าทรมานไม่รู้จักเสียใจเลยนะถามมันน่ากลัวไหมวัตถานี่น่ากลัวสักอย่างไหม หนึ่งนะทุกกายก็ไม่มีเสียใจก็ไม่เกิดเนี่ยนะจะเหตุการณ์ใดๆก็ไม่เสียใจเขาพาเนี่ยพาซี่เครื่องหนึ่งแล้วยังไม่เจ็บเลยนะแขนขาดไปข้างเนื้อมาหยิบแล้วมาใส่ต่อโดยไม่รู้จักปวดเลยเนี่ยถามว่าวัตถามันน่ากลัวตรงไหนไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าไอ้ที่มัน ม, ม, มีอยู่มันนําไปสู่ความทุกทางใจเน่ยนะทุกทางกายทุกทางใจอีกเป็นที่สุดเนี่ยนะ แต่ว่าทุกเหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุนะที่ต่อไปบอกว่าแสดงนิโรธลำดับต่อไปเพื่อให้เกิดความโล่งใจด้วยการเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแก่สัตว์ผู้มีใจสลดซึ่งสแสวงหาอุบายเป็นเครื่องออกจากทุกข์พร้อมทั้งเหตุคือตันหาครอบงําอยู่ก็บอกว่ามันมันดับได้นะะทุกเหล่านี้ถึงจะเกิดจากตันหามันก็ดับได้ มันไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะดับได้อันนี้ก็เรียกว่าเพื่อพูดให้โล่งใจใช่ไหมเออวัฏฏามันจะมีแต่มันดับได้นะนี่ครับถ้าอธิบายไปตามคัมภีร์นี่นะฮะสอดคล้องทั้งเหตุผลทั้งอะไรนะะถ้าสมมติเราสอนไม่ตรงคัมภีร์นะฮะทุกพอกการเกิดดับสมุทรไทยตันหาทําให้เหตุเกิดดับเอออะไรกันครับท่านงูใช่ไหมฮะพอมาถึงขั้นนี้โลดนี่นะอะไรดับกันใหญ่เลยคนนี้ นะฮะลรดับทั้งตัวเกิดดับเกิดดับดับกันใหญ่เลยดับในเกิดดับไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วก็พอมาถึงมาร์กนี่นะฮะหนทางที่จะไปสู่การเกิดดับกระดับยิ่งไม่รูเรื่องใหญ่เลยครับหนทางเพื่อเพื่อดับความเกิดดับผมเท้าแล้วท้อไม่ได้นะนะอันนี้ก็สรุปว่า ถ้าทุกข์คือชีวิตเนี่ยนะคือตัวทุกข์ษัตริย์ใช่ไหมตัวชีวิตคือทุกข์ษัตริย์นี่แหละที่มันเป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพิรายรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความลําบากใจปรารถนาะไม่สมหวังเนี่ยนะโอ้ฝังอย่างงี้นะชีวิตมันน่าสังเวชนะไอ้ทุกข์อันนี้มันมันเกิดจากตัณหาเราอันเดียวแท้ๆพูดแต่งพูดแต่งไอ้ตัวตัณหาเนี่ยนะฮะก่อนอ่านชาดอกอเรื่องหนึ่ง เือพระเจ้ากุสรัดมีอยู่อดีตแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยเขาเกิดมาเป็นเป็นคนรูปไม่หล่อเนี่ยนะเป็นคนอาพับทางรูปกายมากแล้วก็ไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อว่าพระนางอะไรประภาวดีอ่ะทีนี้ประภาวดีก็ไม่ชอบพระโพธิสัตว์มากนะมันเกลียดเนามากเลยแหละในแกก็ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้ากุสลัดเนี่ยเป็นพระราชาแล้วล่ะ ก็เลยภาวดีนี่ก็หนีกลับไปบ้านไปเมืองกันนะตัวเองเนี่ยความที่รักฝ่ายโน้นมากอะ่ะก็จะเอากองทัพไปตีเอาก็ไม่ยอมสละบ้านสละบเมืองเนี่ยนะไปสมัครเป็นคนรับใช้อยู่ในวังนั่นแหละไปเป็นเจ้าพนักงานล้างถ้วยล้างชามหมาะตุ้มต้มแกงอยู่เจ็ดเดือนอ่ะนะลำบากล้างจานเนี่ยตากแดดตากฝนอยู่เจดเดือนเนี่ยนะเพรเดือนที่เจ็ดเนี่ยสังเวชใจแล้วโอ้ยตัญหาเป็นเหตุแท้เลยนะ นะคิดจะกลับบ้านคิดจะกลับแนะ่นะเจ็ดเดือนนะ่ะนะไปเดือดไปไปเป็นคนล้างถ้วยล้างชามผาบอาหารส่งของเลยนะเจดเดือนนะ่ะนะเป็นมหากษัรรษยิ่งใหญ่มากเลยนะเขาเขาเขามีช้างสองหมื่นเชือกอะ่ะกษัตริย์ยิ่งใหญ่ระดับนั้นนะแ ไ, ไ, ไปล้างถ้วยล้างชามในวังของแถวๆนะนะั่นนะก็เธอ ถ้าใครที่ที่รู้นะว่าไอความทุกเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเกิดจากความความปรารถนาใช่ไหมความต้องการบางอย่า ง, น, น, ะาง น, นะเอาว่าง่ายๆนะเอาเอายกตัวอย่างผู้การกันแล้วกันนะเพราะอยากเป็นนายร้อยอย่างเดียวเนี่ยพ <laughs> อเข้าไปถึงแล้วอยู่ต่อไหม <laughs> <laughs> เข้าไปนะถามตัวเองเฮ้ยนี่เราเข้าขเรียนผิดหรือเปล่านี่ยเขถามตัวเองนะก <clears throat> ็ <c oughs> ไอตอนตอนแรกก็นึกว่ามันโก้มากนะก็เห็นแต่เช้าว่าก็หลายๆเรื่องก็เป็นแบบนี้นะพบใหม่ก็เหมือนกันนะเราก็นึกว่ามันดีใช่ไหมเอาจริงๆว่าไม่ใช่เลยอ่ะคันเราไม่คุยเลย เดี๋ยวคุยจนหนัส่วนท่อไปนะว่าธรรมะที่ให้ถึงความดับทุกข์ก็มีอยู่นะอันนั้นแหละเป็นมัดมันเรียกว่าความโล่งใจนั้นปฏิบัติถึงได้นะอ้าวก็เหมือนกับว่าหมอเห็นคนไข้คนหนึ่งไหมบอกโอ้โหทำไมมันคุณเนี่ยมันป่วยมากนะอาการของคุณเนี่ยเป็นเอามากเหลือเกินอามีมีต้นเหตุนะมีสมุทฐานแต่โรคนี้รักษาได้โรคนี้รักษาได้ ก, ไดกินยาตามนี้นะ อันนั้นก็คือขั้นตอนการรักษานะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบอุปมาก็ลักษณะนั้นก็นดูนะท่านก็ให้เหตุผลหมดว่าอริยสัจนั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับเช่นนี้ทีนี้มาวินิจฉัยว่าทาไมจึงแสดงอริยสัจไว้แค่สประการทาไมไม่แสดงแค่สาสัจจะสาหรือสัจจะหรือสัจจะห ทำไมแสดงไว้แค่สี่ประการคือทุกสมุทยัยนิโรธมัดเห็นไหมเอ่อจะเริ่มนะต้องอ่านหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวามือเป็นตลอดสายนะต้องอ่านแบบนั้นนะจึงจะรู้เรื่องที่แสดงไว้สประการเหตุผลลำดับแรกว่าเพราะความเป็นไปแห่งทุกประวัติใช่ั้ยเพราะทุกอ่ะมันมีความเป็นไปสมุทัยก็เพราะว่าเป็นประวัตณนะคือเหตุให้เป็นไป แต่เป็นไปตัวนี้มันเป็นไปแบบมีอันเป็นไปแบบไทยๆนี่ตัวอย่างกับเป็นไปแบบนี้ใช่ไหมอันภาษาไทยมมีอันเป็นไปนี่แปลว่าเสียหายหรือตายอันนแต่จริงคำว่าเป็นไปในนี้ก็คือเกิดตายอ่ะนะเป็นไปอย่างเงี้ยเรื่อยก็มีเหตุให้เป็นไปทุกนั้นเป็นความเป็นไปในวัฏ่ะนะสมุทัยเป็นเหตุให้เป็นไปในวัฏะนิโรธ เป็นนิวัตะคือเลิกไปนี น, นะเลิกไปส่วนอริยมครคเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปนิวัตะนาเนี่ย น, นะเหตุเลิกไปอะนะ <c oughs> เป็นอ๋อมันมันอยู่นิ่งไม่ได้นะเจมันรู้จะอธิบายไงแต่มันชัดมากเลยนะพูดถึงว่าเรามองในแง่อวิถีจิตนะ โอ้มันเห็นชัดมากมัน<ช>ต้องเป็นไปอย่างนั้นก็ ม, นมองไม่ได้เลยมองแบบชีวิตนี้ก็ได้นะอย่างเช่นใครจะอยู่ให้มันอยู่สภาพเดิมทุกเรื่อง ไ, <ม>ได้ไหมไม่ได้เลยทั้งรูปปัจขันรูปปัจขันให้อยู่สภาพเดิมตามเดิมหมดก็ไม่ได้ทีนี้เวทนาขันตามทวารหกเนี่ยนะอยู่สภาพเดิมทุกอย่างได้ไหมก็ไม่ได้มันก็เป็นไปอย่างเนี้ยตลอดมันไม่มีการหยุดนิ่งจริงๆสังขารธรรมทั้งหลายไม่มีการหยุดนิ่ง อันนี้แหละเรียกว่าเป็นไปรีกคํานึงครับเที่ยวไปนะฮะอย่างพระพุทิภาคนี้นะฮะสุนทรกัณฑ์ทั้งหลายได้แล้วเนืฮะครองมงำกันทั้งหลายเที่ยวไปตัวนี้ก็เป็นตัวคล้ายๆตัวนั้ น, ต, น, นตัวนั้นก็ผักเปลี่ยนอิริยาบถตัวนั้นเน้นว่าอิริยาบถอยู่นี่นนไม่ได้เหมือนกันก็นเป็นไปอย่างอิริยาบถเนี่ยนะคนที่อยู่อิริยาบถเดียวก็คือพวกอมาพาสพวกนี้เหลืออิริยาบถเดียวไหมก็จับไปยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละ แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะก็เป็นไปในอิริยาบถสี่สลับอิริยาบถสี่ทางธรรมะเรียกว่าจักเลยนะมันหมุนจักคำว่าจักก็คือมันกลงล้อนะก็คือมันหมุนไปตลอดอิริยาบถของเราทั้งหลายก็หมุนไปตลอดไม่มีไม่มีหยุดใช่ไหมก็เอาไหมถ้าลดอิริยาบถอันเดียวนะลดอันเดียวก็แย่แล้วนะ อันที่จริงเนี่ยนะการบริหารอิรยาบทสี่ของเราเนี่ยเพื่อให้มันสัมพันธ์กับาธาตุสี่จริงเราเอาใจาธาตุสี่นะอ้าวอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันขัดกับาธาตุลมนะต้องไปบริหารให้มาธาตุลมมันมีกําลังหน่อยยุ่งกับาธาตุลมเดินมากวิ่งมากอะไรมากะนะอเอาใจาธาตุดินหน่อยนอนในหะ้มันจริง อการบริหารชีวิตนะท่านลองเจริญธาตุสีดูเถอะแล้วอิริยาบทสีมันก็อยู่กับธาตุสีนะมันสัมพันธ์กับธาตุสีนะก็เนี่ยคุณพระพาเจริญเถอะไอ้มหาพูดเนี่ยมีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยนะสแสวงหามหาพูดต้องการมหาพูดคิดถึงมหาพูดวุ่นอยู่กับมหาพูดบริหารมหาพูดบริหารเนี่ยเดินก็นเดินเอาใจธาตุดินอ่ะนะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าใครที่หมกมุ่นกับธาตุดินมากยิ่งจมอยู่ในธาตุดินลึกเท่านั้นน่ะนะ เออแต่ใครต้องการออกเออมันกลับเบาะถ้ายิ่งต้องการออกจากธาตุดินมากที่สุดนะเหาะได้ด้วยนะยิ่งเบามากที่สุดนะนะแต่ถ้าจมอยู่กับธาตุดินหมกมุ่นต้องการธาตุดินอย่างเดียวโอ้จมโดยที่สุดกินแต่ดินอย่างเดียวเลยนะเป็นไส้เดือนไปเลยเออดิ่งลึกขนาดนั้นอะไรนะก็ธาตุดินไ ม, ไม่ธรรมดานะก็ก็ลองดูนะใครกันนะต้องการอย่างเดียวต้องการมีแต่ต้องการมาหาพูดโดยส่วนเดียวนะ อะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะต้องการน้ําควรเกิดเป็นอะไรเป็นปลาต้องการเป็นเจ้าของที่ดินนะี่ยนะไปพรวนดินอยู่นั่นแนหะคิดแต่เรื่องปลูกพรวนดินอยู่นั่นแนหะไสเดือนชอบลม <c oughs> เป็นนกแอ่นลมกะลาลมอยู่นั่นนหะ <c oughs> ถ้าไฟมากก็เอาใบา เตโชทาตเนี่ยก็มีชอบอยู่เหมือนกันเคยก็ดูเนี่ยพวกแมลงมันชอบไฟไหมล่ะมันเอามาจนตายจนได้นะก็เห็นว่าไฟมันร้อนน่ะมันเล่นจนตายอ่ะนะบางทีถ้าเราจุดเทียนหรือจุดอะไรสักอย่างนะแมลงเม่าเนี่ยมันแล้วมันก็บินแล้วเอาปีกไปติดไว้กับเทียนนะมันก็ดิ้นกระเดากระเดาอยู่ตรงนั้นแหละมันเล่นไฟเอ้สัตว์เดรชาดเนี่ยมันโปรดปรานไฟเป็นพิเศษมันชอบไฟมากจริงๆเลยนะอ่าเป็นถ้ากลุ่มสัตว์เล็กๆนะถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ๆจะกลัวไฟ พวกเสือพวกช้างเนี่ยจะกลัวไฟแต่ถ้าพวกสัตว์เล็กๆเนี่ยโอ้โโปรดปรานไฟมากเนี่ยนะเนี่ยนะ ก, ก็ถึงตาหูจมูกลิ้นมันก็มหาพูดนั่นแหละก็ดูสีเนียสีก็คืออะไรก็สีของมหาพูดฟังเสียงก็ฟังเสียงของมหาพูดรู้กลิ่นก็มาเออกลิ่นมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในมหาพูดนะน ยิ่งกินเนี่ยยิ่งกินมหาพูดชัดเลยนะกินอาหารแข็งแข็งก็เนี้เป็นเน้นธาตุดินใช่ไหมน้ําก็เป็นธาตุน้ําดินกับน้ำเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนหน่อยใช่ไหมดินน้ํามันต้องเย็นจึงจะถูกใจร้อนจึงจะถูกใจบางคนกินน้ําเปล่าก็ได้ต้องน้ำเย็นอย่างเดียวจึงจะกินได้อย่างนั้นเลก็แสดงว่าชอบเตโชธาตุมากบางคนต้องเป็นน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นอย่างเดียวจึงจะบริโภคได้เพราะอันั้นเตโชธาตุใช่หทีนี้ถ้า จับวางที่ปากแล้วมันไม่สูบเข้าเอาไหมหมายกวาว่าเอาน้ำมาวางไว้ที่ปากแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะนะมันไม่มีอะไรดูดเข้าไปเลยเนี่ยนะเอาไม่้ตัวดูดนันวายโยธาดแล้วก็ธาตุสีมันสัมพันธ์กันอ่ะนะหมกมุ่นอยู่กับธาตุสีมากอ่ะนะเพลิดเพลินกับธาตุสีแต่แต่ธาตุสีนี่ไม่มีการหยุดนิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งจริง ในมันดูว่าประวัติประวัติเนี่ยนะความเป็นไปแต่นี่ต้องคิดถึงว่าชีวิตที่มันเป็นไปเนี่ยนะซึ่งไม่มีใครหยุดนิ่งได้เลยแม้กระทั่งรู ป, ปรกายก็หยุดนิ่งไม่ได้ใช่จิตใจก็หยุดนิ่งไม่ได้ให้มันหยุดแค่ความคิดเดียวนี่ทําได้ไหมไม่ได้ คือความคิดเดียวนี้หยุดไม่ได้แต่ให้อยู่กับอารมณ์เดียวพอได้เช่นพวกเจริญสมถะทั้งหลายใช่ไหมซ่องเสพให้อยู่กับอารมณ์นั้นอย่างเดียวอะ่ะพอได้แต่ว่าให้อยู่กับจิตอันเดียวเลยเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวเลยนะไม่ได้ใช่ไหมอยู่ขณะจิตเดียวนี่ไม่ได้มันมันมันสืบเนื่องอไลสัมพันธ์กันเป็นไปถ้ามองประวัตินมันต้องมองกระแสน้ามาจึงจะเห็นชัดแ่นะ แต่กระแสน้ำที่มันไหลสืบเนื่องไปประวัตนาก็เหตุที่ทำให้มันไหลไปในสังสารทุกข์น่แหละนิวัตาก็ดับทุกสักทีหนึ่งเลิกไปนิวัตนาก็คือเหตุที่ทำให้เลิกไปเนี่ยนะบอกว่าตัดเหตุแล้วส่วนอีกนัยยะที่สองบอกว่าทุกเนี่ยเป็นวัตถุแห่งตันหามันเป็นแดนโคจรแห่งตันหาสมูทัยก็คือตัวตันหา นิโรก็คือความดับตันหามักก็คืออุบายเป็นเครื่องดับตันหาอันนี้เรียกว่ามองแบบตันหานะเอาแบบตันหามาคิดว่าทุกคืออะไรบอกอารมณ์ของตันหานั่นแหละทุกคืออะไรทุกคือที่ ท, ทำใดที่เกิดของตันหาเป็นแดนโคโจรแห่งตันหานะอันนั้นเรียกว่าเป็นทุกเป็นที่เกิดแข่งตันหาหรืออารมณมณปัจจัยของตันหานะ ถ้าตันหาโคจรถึงนะให้รู้ว่าทั้งหมดนั่นเป็นทุกหมดเลยนั่นแหละเมื่อวานเนี่ยขาดเรียนเป็นยางงไงเลยเราพูดไปนานแล้วเห็นแก่ปากแก่ท้องเลยขาดเรียนเลยนั่นแหละรู้แล้ววันไหนบัลลังกานี่จําได้เลย รัตันหาพาไปเลยไม่ได้ฟังทำเลยนะตัววัตถุแห่งตันหานะจําง่ายๆว่าทุกขสัตว์คืออะไรคือแดนโคจรแห่งตันหาสารพัดชนิดนะเนี่ยที่ที่ตันหาโคจรไม่ถึงคือโลกุตระธรรมอย่างเดียวตันหาไม่ชอบบอกมันบอกว่ามันร้อนจะบอกถ้าพูดถึงตันหาเหมือนแมลงวันนะที่ที่แมลงวันมันเกาะนั่นแหละ เออนะั้นมีอยู่สูตรหนึ่งนะพระพิสุที่อากุศลวิตกเกิดนะพุทธเจ้าบอกหูแมลงวันบินว่อนเลยเปรียบอากุศลวิตกดุดแมลงวันนะ่ะนะฉะนตัวตันหานี่ก็เหมือนกับแมลงวันใช่ไหมก็เกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆแต่ตันหาก็ดับได้นะด้วยข้อปฏิบัติใช่ไหมต่อไปเป็นวัตถุแห่งอะไรอะไรนี่โดยความหมายแปลว่าที่น่า ย, ยินดีก็ได้นะ ยินดีก็ได้เป็นวัตถุหรือเป็นอารมณ์ที่อะไรทั้งหลายความยินดีในอะไรก็คือตัวตัวที่ยินดีอนะอาบางทีนี้อะไรเนี่ยเป็นชื่อของกรรมคุณห้าไงบางทีตัวอะไรตัวนี้ที่ที่ยินดีเนี่ยหมายถึงกรรมคุณห้าหรือหรืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยตัณหาก็คือความยินดีในอะไระส่วน นิโรศนั้นเป็นความถอนอาไลมักศัตร์ก็คืออุบายเพื่อจะถอนอาไนนะอาไลอาวรก็ไทยอาจจะเรียกอาวรก็ได้อันนี้ภาษาไทยเป็นการแปลข้าไปแล้ว อ, อันนี้ในในธรรม ะ, ร ะ, อ, ะองค์ธรรมได้แก่โลภะถูกไหมครับอืแต่ว่าทาังโลกภาษาไทยองค์ธรรมได้แก่โทสะอาไลอ่ะ <laughs> อาวรนก่อนลา อะไรก็คือจริงๆอ่ะนะมันเป็นเป็นตันหานะเพราะมันหิวสิ่งนั้นนั่นแหละคิดถึงพอคิดถึงทีงนี้คิดถึงแบบไม่สมหวังใช่ไหมมันก็เลยผิดหวัง น, น, น, นะออกเป็นโทมา น, น, น, น, น, นะคือภาษาไทยทั้งหลายเนี่ยนะค่อนข้างจะเห็นทุกขศัพท์เนี่ยมากคือคนไทยเนี่ยมันเป็น ก็ถ้าเป็นเพลงเดิมๆเพลงไทยๆนีจะเป็นเพลงที่ออกมาจากโทมนัสซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของไทยเลยนะโดยมากนะที่เป็นเพลงประเภท ส, สมหวังของไทยย ไ, ไม่ค่อยมีหรอกือพูดถึงว่าเพลงทั้งหลายนี่นะเพลงไทยสักคนนะ มีเคราะห์าออมาแล้วมีทุกข์กับสมุทัยสัตว์ทั้งนั้นเลยจะว่าสากลในเพลงสารพัดเพลงในโลกแล้เป็นโทสะซะส่วนใหญ่ใช่ก็เป็นเพลงที่เป็นโทมนัอนะนะก็ถ้าฟังเพลงได้เนี่ยทุกข์สมุ ท, ทยัยแต่ก็มูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดาชะฉานกถาก็คือพูดถึงกับทุกข์สมุทัยแค่นั้นนะงนะั้นเพลงก็คือเดาชะฉานกถาหรือเพอร์เจอร์นั่นแหละ ทั้งก็พูดเฉพาะในทุกขศัตรกำสมุทัยอ่ะนะคือพูดแต่ในทุกขสมุทัยแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เรียกว่าสัจจะเพราะถ้าเป็นสัจจะนี่คือพระริยเจ้าท่านไปเห็นจะเพลงโบราณมีเหมือนกันครับก็ถ้าท่าที่เป็นเรื่องน้อยมากเลยนะฮะที่เป็นครูที่ออกมาจากวัดจากวาไปแต่งที่พูดถึงเรื่องอออมักศัตย์อะไรนี่นะฮะหรือว่าแสดงแสดงสัจจะเหมือนกันท่านนะ <laughs> โลกนี้ยิ่งดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนเร่าใจบท<ม>บาทลีลาแตกต่าง ก, กันไปถึงสูงเพียงใดก็จบลงไปเหมือนกันอแม่เพลงนี้นะฮะ<ม><ม>เป็นเพลงที่ดีมากเลยออืก็ต่อไปนะมาดูอันสุดท้ายบอกว่าทุกขศัพท์นี้เป็นปริญญาธรรมคือธรรมที่ควรกําหนดรู้เนี่ยนะธรรมที่ควรรับรู้ ถ้ามองเฉพาะหนึ่งสองสามข้างบนนะว่าประวัตะวัตถุแห่งตันหาวัตถุแห่งอะไรเนี่ยถ้าคิดธรรมดาทั่วไปนะจะไม่ค่อยอยากจะทำกิจอะไรใช่ไหมเออแต่อย่างนั้นแหละแต่กันสุดท้ายเนี่ยเท่ากับย้ำเลยว่าต้องทำกิจนะเป็นกิจที่จะต้องเข้าไปรอบรู้รอบรู้โดยสภาวะพร้อมทั้งปัจจัยสภาวะทบพร้มทั้งปัจจัยอย่างหนึ่ง อย่างที่สองก็คือรู้ทุกรู้โทษรู้พิษรู้ภัยของทุกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะ <c oughs> ส่วนสมุทัยเนี่ยนะก็เป็นธรรมที่ควรละใช่ไหมเป็นประหาตัปปะธรรมเป็นธรรมที่ต้องละเลยแหละส่วนมิโรสัจจะก็เป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งคือสิทธิสัจจิกาตปปะธรมม ร, รมมัคคสัตถ์ก็เป็นภาเวตปปะธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญนั่นะ ก็ใส่กิจเข้าไปนะตัวนี้ดีมากเลยนะบอกว่า เ, าเขาเนี่ยกิจที่ควรทํากับเขาเนี่ยควรทํำยังไงจะได้ไปปฏิบัติถูกต้องในสัจจะสี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขามีอข้อปฏิบัติบางอย่างเขาบอกว่าดูมันอย่างเดียวนะกําหนดรู้มันอย่างเดียวเพราะงั้นก็เลยทุกอย่างเอาเป็นปริญญาไม่รู้ว่าประสงค์อะไรก็ไม่ทราบน ะ, ะถ้าศึกษาไม่ดีนี่แย่เลยอะ อันฝังพระธรรมเนี่ยควรจะมองให้เออนี่เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้นะเป็นปริญญานี้เป็นธรรมะที่ควรละนี่เป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญทุกอย่างนะเราลองเอามาประยุกใช้ในชีวิตจริงๆเลยนะบ่อยๆ อ, อ่านะอารมณะปัจัยอันใดอันหนึ่งอะไรควรกำหนดรู้กำหนดรู้ว่ายังไงและอะไรที่ควรละละว่ายังไงอะไรที่ควรทาให้แจ้งทาให้แจ้งว่ายังไง ลองว่างก็นั่งดูเล็บเนี่ยแค่เล็บไปก็คิดไปก็ได้อนะีเออเล็บเนี่ยกําหนดรูมยังไงเออถ้าจะละเล็บละยังไงไม่ให้ไปลอกทิ้งเลยใช่ไหมเออถ้าจะทําให้แจ้งทําให้แจ้งว่ายังไงถ้าจะเจริญเจริญว่ายังไงอ่นนะ้เออลองมาคิดดูนะในทุกๆแห่งอันนะี้ถ้ามองตรงนี้ไม่ออกก็อ๋อคุณนภารู้ยไงนะแย่มากโทรศัพท์คุณนภารบอกแย่มากแล้งั้น ก็จริงนะต้องต้องหัดไปคิดอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้นะแสดงว่าโอ้โหเมื่อไหร่นะเราจะเข้าเขาหลักอริยสัจบ้างถ้าทามองให้เห็นเป็นสี่ประการแบบนี้ไม่ได้เนี่ยลืมตาดูเนี่ยอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละเนี่ยอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งหูฟังเสียงฟังอันนี้อะไรนะควรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งนะแล้วมาคิดอย่างงี้เราจะเริ่มเข้าใจคําสอนขึ้น แต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้นะโอหคล่องปากขึ้นใจมากปริญญยธรรมปหาตประธรรมสัจจิกาตประธรรมพาเวตประธรรมออกมาบางทีนะเคยถามพระบางรูปนั้นเออแล้วทำไงอะตกลงอะก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ผมทำยังไงต่อไปแล้วไอสิ่งที่ว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะเอาเริ่มนะกันเนี่ยนะเตะตะปาอนนี้ของเราน่าจะถามแบบนี้บ่อยๆน เออเนี่ยรู้แล้วมันทำยังไงเอาเนี่ยนี่ทุกเอาไหนาทุกอะทุกมันเป็นยังไงลองถามตัวเองดูว่ารู้จริงขนาดไหนเนี่ยนะแต่ทำไมมันจึงเรียกว่าทุกเออแล้วทุกกําหนดรู้มันว่าอย่างไงเออแล้วละอะไรมันละว่าอย่างไงทําให้แจ้งนะที่เราอยากบรรลุเลิกเกินบรรลุอะไรแล้วถ้าจะปฏิบัติปฏิบัติว่าอย่างไงบ้าง น, น, นะก็ไปคิดอย่างนี้บ่อยๆนะกับทุกอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องหรือทุกอารมณ์ที่เรามานตสิการถึง อาวัชนะถึงสิ่งใดเนะียสิ่งนั้นต้องเอามาคิดนะให้มันเข้าอันนี้ให้ได้ให้มันเข้าร่องเข้ารอยสักทีนึงแต่นนก็แต่ถ้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะไปเจริญพุทธคุณใหม่เจริญบทว่าสัมมาสัมพุทโธ น, นะ <c oughs> พระพุทธเจ้าแตสรู้จากครูจากครูสมุ ท, ทยัยจากคูนิโรธจากคูนิโรธ ถ, ถ้าคำมินีปฏิปทา โสตโสตสมุทัยเนี่ยนะไล่เลยนะตะวาน6ก อ, อัยตนาภายใน6อัยตนาภายนอก6วิญญาณหกภาษาหเวทนาหสัญญาหกเจตนาหวิตกหตันหาหวิตกหกวิจารห6เนี่ยนะธาตุหขันห้าอัยตนาสิบธาตุสิบดอินทรีย์ี่ิบเอามาคิดอย่างนี้ให้มันหมดเลยนะแล้วก็แล้วเอามาใหม่แล้วมาดึงลงมาในชีวิตจี่มันเป็นยังไงเนี่ยนะก็ แล้วมีเรื่องให้ทำเยอะๆไปหมดเลยนะไม่ตกไม่จบง่ายๆหรอกวิชานี่นะแต่ไม่แน่นะถ้าใครที่ทำการบ้านมากอาจจะจบเร็วก็ได้ <c oughs> ต้องเอามาเจริญนะต้องมองให้เห็นสัจจะของชีวิตให้ได้นะสงเคราะห์สิ่งเหล่าเนี่ยทำไม่ได้อะไรจริงๆ ก, ก็เนี่ยใครมั่งไม่มีเกษาเนี่ยไปที่ไหนก็เห็นเกษาใช่ไต่อด้วยเกษาสมุทยัยเกษานิโรธเกษานิโรธาคามินีปฏิปทาเนี่ยนะ เกษาทำยังไงกิจของเกษาก็คือปริญญากิจของเกษาสมุทัยทหารนะกิจของเกษานิโรธคนทาให้แจ้งกิจของเกษานิโรธถ้าคาไม่นีปฏิปทาก็ควรจเจริญเนี่ยนะก็พันลาเห็นตาคนอื่นปป๊บก็คิดอย่างนี้ก็ได้ <laughs> เวลาดูกระจกดูตาตัวเองก็เออคิดอย่างนี้ก็ได้นะก็มีไม่เหง า, าถ้า แต่ต้องมีศรัทธาหน่อยนะน่าเจริญมากนะถามว่าถ้าไม่คิดอย่างนี้นะจะไปคิดอะไรอ่ะถามว่าคิดอย่างนี้เนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษควรคิดหรือไม่ควรคิดโองตรัสเลยว่าเธอทั้งหลายถ้าเธอจะคิดนะอย่าไปคิดเลยเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงมันโดนเลยนะนี่มาคิดอันนี้ทุกเนี่ยมาคิดอย่างนี้แหละอย่าไปตรึกเลยกาบวิตกพยาบาทวิตกวิเหงสาวิตกมาตรึกอย่างงี้แหละนี่ทุกอย่างนั่นนะมาคิดอย่างนี้บ่อยๆนะ ก็ถ้าคิดอย่างนี้ได้สักเจ็ดวันเนี่ยนะหมายความว่าไม่ใช่คิดวันละครั้งแล้วคิดเจ็ดวันไม่ใช่คิดอย่างนี้เนี่ยนะให้มันได้ยีิบสี่ชั่วโมงคูณเจ็ดเท่าไหร่นะตัวชั่วโมงคิดเนี่ยให้มันได้เท่านั้นอะ่ะ <100. S 1> นันก็สักสองร้ยชั่วโมงนนโอ่ะนะก็ได้ดีห น, น, น่อยนะครูมันโชว์เนี่ยไอคิดเรื่องนี้ได้วันละกี่ชั่วโมงดี คําเลยกูจะคำเลยนะคนคอะก็ลองคิดดูสักเนี่ยไหนๆก็บอกอริยสัจดีแล้วเกินเนี่ยเอาเรื่องอย่างเนี้ยมาคิดสักเอาเถอะไหนๆก็บอกว่าพระพุทธเจ้าว่าท่านว่าดีนะจะขอพิสูจน์เนี่ยจะมาคิดให้แบบท่านเลยนะให้เห็นแบบท่านสอดคล้องตามหลักของท่านอ่ะทําอย่างนี้สักกี่วันดีอน่ะนีย น่าจะลองลองดูะนะไม่บรรลุแล้วค่อยเลิกก็ได้อะนะทาไม่ดีจริงแล้วค่อยเลิกกันนะถ้าไปคิดตามเนี่ยเข้าใจปลุโปรงหมดเลยไม่ดีทําไม่ดีแล้วค่อยเลิกกันนะอีกหลายวันเดี๋ยต้องไปก้าสวนปุกพอแล้วคุณมุดไมีหน้าละจึงเที่ยวไปเที่ยวมาก็เพ่อคําเหล่านี้แหละ